จึงมีโมหะอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทุกวันดูไปมันจะเห็นตัวโลภะเจตนาอยู่ขึ้นมาเป็นเรื่อยๆ อ, อะค่ะให้รู้ทันนะไม่ว่ามันหรอกเบื้องต้นเนี่ยต้องมีตัณหาก่อนมีโลภะก่อนนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปวันนึงก็พ้นจากตัณหาไปพระนรนก็เคยสอนนะมีตัณหาเพื่อละตัณหามีมานะเพื่อละมานะมีทิฏฐิเพื่อลนะอลาานะทิฏฐิมเป็นลำดับไป เริ่มต้นเจือด้วยความจงใจธรรมชาติน่ะเป็นปกติ อ, อย่าไปว่ามันแล้วมันก็มันเคยกับการแทรกแซงนะคะหลวงพ่อมันก็จะมันก็ยังทําอยู่อะคะ <c oughs> ให้เรารู้ทันว่าเข้าไปแทรกแซงะนะงานของเราไม่มีอะไรมากกว่ารู้ทันรู้ทันเรื่อยถ้าใจเราถล่มไปก็ไม่ดีดูสบายๆดูห่างๆดูแล้วไม่แทรกแซงหลวงพ่อคะแล้ว ยังยังอยู่ในรูในทางอยู่ไหมคะมันไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมใช่ค่ะทำขาดเรื่องของาสม่ําเสมอหรือเปล่าคะสม่ําเสมอไปแล้วก็การภาวนาเนี้ยอย่าตกใจนะถึงเราจะทําสม่ําเสมอก็เสื่อมต้องเสื่อมนะนี่ถ้าเราทําไปแล้วก็ขี้เกียจแล้วเสื่อม มันจะคิดว่าเสื่อมเพราะขี้เกียจแต่ถ้าเราทําสม่ําเสมอแล้วเสื่อมเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเออเป็นของบังคับไม่ได้นะเป็นใจรักไม่มีหรอกภาอนาแล้วเรจเริญลูกเดียวนะจะพน้นความเสื่อมต้องถึงที่สุดก่อนไม่ยึดถืออะไรแล้วก็ไม่เสื่อมเพราะอะไรที่เสื่อมขันมันเสื่อนมะทำมันไม่เสื่อมหรอกขันมันเสื่อมเรายังไม่ได้อยู่กับทำเราอยู่กับขัน อย่างสติสมาธิปัญญาก็เป็นขัน์เช็นไหมสติสมาธิปัญญาก็เสื่อมได้อีกไม่ใช่ของถาวรเนีย่ยอย่างครูบาอาจารย์นะท่านเคยสอนมากก่อนไม่เข้าใจหรอกนะอ่านประวัติหลวงปู่มั่นมั่งอะไรมังบอกว่าท่านยังนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่คนก็สงสัยไปถามท่านว่าทาไปทาไมไม่มีธุระอะไรแล้วทำไมทะทำเป็นเครื่องอยู่ทำฝึกซ้อมเอาไว้ใช้ หลวงพ่อพุทธเล่านะหลวงปู่เสาเขาก็ภา ว, วนาทุกวันทุกวันไม่มีหยุดเลยถามหลวงปู่ทาไมต้องทําอย่างนั้นไม่มีกิเลสแล้วบอกทําให้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยสมัติสมัธิสติอะไรเนี่ยมันของเสื่อมได้ต้องฝึกซ้อมแต่ว่าใจที่เข้าถึงทำแล้วนะั้นทมันไม่เสื่อมอ่ะต่อไปรู้สึกเมาาื่อเช้า ว่าวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ที่วัด <ยบ S 2> มรู้สึกรู้สึกใจหายค่ะโอโ้โหลใจหายก็ช่างมันเรา้ ร, ร, รู้สึกเอาใหม่เดี๋ยวมันก็มาก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทามาเนี่ยถูกหรืยังคะมันถูกทุกขั้นทุกตอนนะข้างหน้ามันก็มีถูกมากกว่านี้อีกงั้นภาวนาเราก็ไม่ได้มาติดอยู่เท่าที่เป็นอยู่ ค่อยๆเรียนรู้กายเรียนรู้ใจความรู้ความเข้าใจมันกระจจางขึ้นกระจจางขึ้นอย่างเราหัดภาวนาทีแรกเราก็คิดว่าถ้าภาวนาเป็นแล้วจะมีจิตใจเนี่ยจะอยู่ในอำนาจบังคับนะดีตลอดอย่างเงี้ยภาวนา ม, มาแทบตายก็เห็นจิตจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมไม่เห็นจะอยู่ในอำนาจบังคับได้พอเห็นอย่างนี้นะใจยอมรับพอปล่อยวาง ใส่วางคราวนี้เราไม่ได้ไปหยิบเวยขันแนละเราก็ไม่เจริญไม่เสื่อมไปขันแล้นะธรรก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นจิตก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นมีความสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่มีไปไม่มีมาสบายนะภาวนาไปให้ได้ธรรมะไปเป็นลําดับลําดับนะอย่ายินดีพอใจในความดีที่มีอยู่ ถ้ายินดีพอใจแค่นี้พอใจแล้วไม่ต่อไม่ ข, นขวนไหวยไม่ปาวนาต่อก็ไม่ดีหรอกนะพักเพียรใจอดทนนะล้มลุกลุ ก, กลานก็ไม่เป็นไรมันล้มทุกคนแหละล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้อีกนะไม่ถอยค่นะนมาสการกับหลวงพ่อเมื่อวานรู้สึกอยากอะคะ่ะทั้งวันมันก็ตื้อแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็ไปติดแล้วเมื่อคืนฝัน ตกใจเป็นคนขี้กลัวพอกลัวมากเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันฟุ้งพอมันฟุ้งตอนแรกเนี่ยมันเห็นใจที่มันเต้นพอคิดว่ามันเป็นฝันมันเป็นฟุ้งใจมันก็หายเต้นอันนี้เนี่ยใช่ใช่ไหมเจ้าคะใช่อะไรล่ะก็ใช่ที่มีสติไหมเจ้าคะพยายามฝึกตอนตื่นเนี่ยให้เยอะๆนะตอนฝันนะแล้วแต่มันมีสติก็ได้ไม่มีก็ได้นะและที่ปฏิบัติที่ผ่านมาล่ะเจ้าคะ เมื่อวันจันทร์กับวันนี้ไม่เหมือนกันดูออ ก, กเราหรืดูไม่ออกเจ้าค่ะดูไม่ออกก็ไปหัดดู <c oughs> ยังมาใหม่ๆวันแรกกับฟุ้งซ่านนึกออกไหมใช่ค่ ะ, ะฟุ้งสองคนอะฟุ้งสุดๆรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอันนี้กับวันโน้นไม่ได้เหมือนกันแล้วข อ, อใช่ค่ะเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะ่าแต่ละวันแต่ละวันจิตใจไม่เคยเหมือนกันเลยเริ่งต้นก็ดูเป็นวันๆ วันนี้ผ่องใสวันนี้ฟุ้งซ่านวันนี้เศร้าหมองวันนี้สงบอะไรเงี้ยแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วอย่างที่เนี่ยเาแต่ละวันเป็นแล้วนะถ้าไปดูในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบลายเย็นไม่เหมือนกันนะเช้าสายบลายเย็นดูได้แล้วเช้าสายบลายเย็นไม่เคยเหมือนกันเลยนะดูเป็นขณะขณะเนี่ยขณะที่มองเห็นคนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่เห็นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ รู้แบบไม่เข้าไปแทรกแซงนะงั้นเราภาวนานะเมื่อตาเรามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีสติรู้ทันความรู้สึกนะเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันความรู้สึกเมื่อจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อลิ้นได้รสความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อมีสิ่งกระทบสัมผัสร่างกายความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อใจมันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกก็เปลี่ยนความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เป็นปฏิกิริยาต่อการกระทบอารมณ์ทางทวารทาั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ฝึกเพื่อให้ใจนิ่งแต่ฝึกเพื่อให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยนะรู้อย่างสบายๆรู้แล้วไม่เข้าไปยุ่งกับมันรู้อยู่ห่างๆรู้แบบคนมองนอกรู้แบบเป็นคนดูนะเวมเรานั่งดูฟุตบอลเรานั่งบนอัศจทร์เห็นนะักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเนะน่ยดูดูอย่างนี้สบายๆ งั้นดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะเมื่อจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ต่อไปมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยเฉยก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกทุกชนิดในใจเราเป็นของชั่วคราวหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆ ดูไปสบายๆให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ไปเล่นๆรู้สบายๆไม่เข้าไปแทรกแซงถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะตอนแรกมันเห็นหรอกว่าความสุขเกิดระดับความทุกข์เกิดระดับกูศนเกิดระดับโรคปรดโล่เกิดระดับจะเห็นในนี้ก่อนตอนที่ปัญญาเกิดมันจะรู้แจ้งจะรู้เลยมันรู้ในภาพรวมมันสรุปออกมาได้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา เรียนทีละอันทีละอันนี่แหละเรียนทีละตัวนะเห็นความโลภมาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปฟุ้งซ่านมาแล้วก็ไปสุขทุกมาแล้วก็ไปเห็นอย่างนี้นะพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะใจเราไม่ไปยุ่งกับมันนะศักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นั่นแนหะถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเกิดความรู้รวบยอดปัญญาจริงๆเป็นความรู้รวบยอดน ะ, ะความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้น เมื่อทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับเนี่ยไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับนะไม่มีตัวตนถาวรหรอกมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเมื่อเห็นว่าตัวตนถาวรไม่มีก็ละสักยัติจิได้นะแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยเรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มานี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์มา การปฏิบัติถัดจากนี้จะไม่ลูกคลําแล้วไม่ลูกคลําว่าทําอย่างน้นจะดีทําอย่างนี้จะดีไม่มีไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่คือจิตมีสมาธินะนี่ทางเดินมีอยู่ตรงนี้มันรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้ไม่หลงไปทําอย่างอื่นแล้วไม่คิดเลยว่าไปภาวนาที่วัดน้นจะดีไปฟังอาจารย์นี้จะดีอะไรเนี้ยนะหรือว่าก่อนจะ นั่งสมาธิต้องสวดบทนี้ก่อนถึงจะดีจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เหลืออยู่เลยนะไม่รู้เลยไม่มีความรู้สึกว่าใครจะมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราหรอกมีแต่ต้องพึ่งตัวเองเดินอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนมีสติรู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงเรื่อยไปจะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงได้จิตต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะนี่ยมีสมาธิมีสติมีปัญญาขึ้นมาพระเจรตละสิ่งที่เรียกว่ า, าศีลครตาปรามาสความงมงาย การถือศีลบําเพ็ญเพลดแบบงวงมงายนะยม้ละความเห็นผิดไม่มีเราได้นะก็ละความงมงายได้ด้วยนะละความลังเลสงสยัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมไม่สงสัยแล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่จิตนี่เองที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะแต่ของเราไม่บริสุทธิ์จริงนะมันบริสุทธิ์แว บ, บๆบบนะไม่ไม่นานเดี๋ยวกิเลสมาอีกก็ต้องภาวนากันอีกนะตัดแล้วตัดอีกตัดครั้งที่4แล้วกิเลสไม่มาละนะ ค่ ย, คยฝึกไปง่ายง่ายที่พูดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนทํานะแทบลม้มแทบตายเนี่ยครูบาอาจารย์บอกหลวงพอ่ออย่างนี้ทุกองเลยนะง่ายง่ายองค์นั้นก็ง่ายองค์นี้ก็ง่ายแล้วท่านจะอึง้งอึงไปนิดหนึ่งนะพอบอกง่ายแล้วท่านจะเงียบไปนิดนึ่งแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละ ย, ยากนะกว่าจะดยอมลงมือดูนะยากนะกว่าจะดูเป็น ว่าจะมีสติรู้กายรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้โดยไม่ได้เจตนาเนี่ยความมันจะมีสติเองกว่าจะมีสมาธิเองกวจะมีปัญญาเองอัตโนมัตินะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันหรอกแต่พอมันอัตโนมัติแล้วง่ายไม่ต้องทําอะไรหรอกนะสติสมาธิปัญญามันทำงานของมันหมุนจี๋จีอยู่ทั้งวันมันทํางานของมันเองนะทำงานของมันเองพอทํางานพอมันก็ปล่อยวางของมันเองไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปช่วยมันปล่อยวางนะ ไม่ต้องเสนอหน้าเอ้าปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยหรอกเชียไม่ขึ้น อ, อนะอยู่ที่ทําให้พอนะอยู่ที่ทําให้พอให้มีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงไปเรื่อยนะมีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางถ้าจิตฟุ้งซ่านไปนี่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปแทรกแซงอารมณ์นะยินดียินร้ายขึ้นมานี่ไม่เป็นกลางนะนี่เราคอยรู้ทันเลยจิตเราเพี้ยนแล้วจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตไหลไปแล้วเรารู้ทัน จิตเข้าไปแทรกแซงยินดียินร้ายขึ้นมาเราคอยรู้ทันจิตก็จะเป็นตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็คอยมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเห็นมันทํางานไปเรื่อยนี่คือขั้นของการเดินปัญญาหลวงพ่อเน้นหนักให้พวกเราเรียนเรื่องการเดินปัญญามากๆก็ะอะไรเพราะสมาธินั้นเป็นของสาธารณะนอกศาสนาพุทธก็เรื่องสมาธิก็มีอยู่แล้วนะนั้นเราเรียนสมาธิเรียนที่ไหนก็ได้แต่เรียนในภาคของการจเจริญปัญญานะไม่ค่อยมีใครสอนกันนะ หลังๆไม่ค่อยมีคนสอนละที่ไม่มีคนสอนเพราะไม่ค่อยมีคนเรียนเท่าไหร่หรอกเอาแต่ความสุขความสงบไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ายังยสนใจเรียนครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เดินปัญญาเนี่ยต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเนี่ยแยกมันไปเห็นกายมันทํางานจิตเป็นคนดูนะแยกออกไปกายยังแยกละเอียดออกไปอีกเป็นธาตุแยกไม่เป็นก็ไม่เป็นไรถ้าแยกเป็นก็เห็นออกไปเป็นธาตุแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะ ส่วนจิตก็แยกออกเป็นนามธรรมนะต่างๆหลายอย่างจิตไม่ใช่มีแต่จิตดวงเดียวจิตยังมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันก็แยกไปอยู่ต่างหากนะเวทนาไม่ใช่จิตสังขารไม่ใช่จิตสัญญาไม่ใช่จิตสุดท้ายจิตก็ไม่ใช่จิตมันเกิดเกิดดับดับไปเรื่อยไม่ใช่จิตถาวรนะค่อยฝึกไปเรื่อยนะปัญญาเกิดก็พ้นทุกข์ปัญญาไม่เกิดไม่พ้นทุกข์จริง ความจริงมันก็ดีนะมีสมาธิอย่างเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยมีศีลก็ยังดีศีลเป็นเครื่องละกิเลสอย่างหยาบที่ทําให้เราทําผิดทางกายทางวาจาสมาธิเป็นเครื่องละกิเลสชั้นกลางที่ทําให้เราทําความผิดทางใจเช่นคิดพยาบาทคิดไปในกามคิดฟุ้งซ่านคิดหดหูคิดสงสัยเนี่ยเป็นกิเลสชั้นกลางนะเป็นความวุ่นวายของจิตใจปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องล้างทิฏฐิล้างความเห็นผิดนะ ดน้นปัญญาสําคัญมากแค่ล้างกิเลสด้วยศีลก็แค่ไม่ทําผิดทางกายทางวาจามีสมาธิไม่ทําผิดทางใจใจสงบใจตั้งมั่นแค่นั้นไม่พอสงบสบายอยู่แค่นั้นไม่พอต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนะะเกิดปัญญาแล้วมันจะล้างอาวิชชาได้ล้างความหลงผิดได้ความเห็นผิดนะถ้าไม่มีขั้นเดินปัญญานัะมันจะแค่ได้แก่ศีลสมาธิได้แค่นั้นเองาศาสนาอื่นก็มีนะ ก็ก็มีของเข้าทั้งนั้นแหละงั้นเรียนให้หนักหนักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สอนว่าไม่ให้ทำสมาธินะหลวงพ่อสอนเน้นหนักเรื่องปัญญาพวกเราก็ผ่าเหล่าผ่ากอบอกหลวงพ่อบอกไม่ต้องทาสมาธิพระพุทธเจ้าให้สอนศีลสมาธิปัญญาสาวกจะสอนเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวหรือเอาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ถูกทั้งนั้นแหละอา้าวว่าไงก็เือมา อ, อยู่<ม>นาน ก็จิตไหลก็รู้ว่าจิตไหลหน้ามันต้องอย่างนั้นแต่ว่าก็พยายามไม่เพ่งแต่สองประคองนะประคองไว้นิ่งอยู่งเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะกิเลสมาไล่ไปชู้ชู้ช่เงี้ยแล้วก็นิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยสมาธิล่ะแต่สองวันสองวันนี้พุ๊บพฤหัสเนี่ยมันมีวิบากไหลคอนี่มันตึงหันไม่ได้เลยเดินก็เดินจงกรมไม่ได้เพราะมันแข็งไปหมดให้เราไม่ได้เอาคอเดิน เราไปเกรงมากอกสไิไม่ไม่ไม่ไม่ทราบเป็นเพราะวิบากหรือเปล่าว <c oughs> ิบากวิบากจากอะไรจากโลภะเจตนา <c oughs> เราอยากปฏิบัติไม่ให้ขาดสติเลยเราจ้องทั้งวันเลย <c oughs> เราจ้องมากๆก็เกรงที่จ้องไม่ให้ค่าสายตานะ <c oughs> เวลาจ้องยังชอบจ้องแบบนิ่งๆได้ใครสังเกตเงี้ยนิ่งไปนิ่งมามันเลยไม่ยอมกระดุกกระดีกแล้ว <c oughs> นะก <c oughs> ็พอก็เลยก็เลยอาบน้ำแล้วคลายแล้วก็เออบอกว่า <c oughs> ออขอให้พ้นวิบาก จ, จะแผส่ส่วนไปให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็ใครอะ่ะเพราเราเองทำเองอะ่ะเรแผ่ให้ตัวเองเอวันนี้ก็เลยรู้สึกหายแล้วนะอ๋อมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงดู<ช>ลงไปน ะ, นะทำไมมันหายง่ายเวลาที่เราภาวนาแล้ว เ, เกิดกลิ่นส่วนใดส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปเลยนะสมมติเป็นกลิ่นที่คอนะเราก็รู้สึกลงมาที่คอนทำใจให้ผ่อนคลายรีแลกซ์รีแล็กซ์นะ ปวดหลังก็ทําใจไปอยู่ที่หลังนะทำความรู้สึกให้รีแลกซ์ไว้ปวดแข้งปวดขาทําได้หมดเลยเดินยังไม่ได้เลยนะฮะเดินก็เดินไม่ได้นอนนี่นอนแผงเดียวเนะลย<บ>พิกไม่ได้เนละเวรกรรม <laughs> ยัยพิบังคับตัวเองมากแล้ววันนี้กลับบ้านแล้วหายแล้วนะ <laughs> ถ้ามาอยู่บ้านแล้วเพ่งเอา <laughs> เพ่งเอานะจะเป็นนะอา้าวต่อไปต่อไปอา้าวใครจะคุยกับหลวงพอ่อร48 ล่าหลวงพ่อเจ้าค่ะล่งงาไงยังอยู่อีกเนาะอันนี้จะมาเรียนหลวงพ่อว่าเพิ่งไปทำซีทีสแกนมาหมอบอกว่าไม่เห็นอะไรแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละมันจะเห็นได้ไงเรายกให้พุทธเจ้าไปแล้วคนนี้แหละที่มาหาหลวงพ่อนะมาวันเสาร์แล้วบอกว่าสมาธิแตกไปหมดแล้วกรรมฐ า, านแตกไปหมดแล้วทําไม่ได้แล้วนะเป็นมะเร็งหมอบอกจะตายแล้วนะหลวงพ่อบอกไหนไหนมันจะตายนะตัดใจเลย ถือว่าร่างกายเนี้ยขอยกถวายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไปเหมือนเราตัดดอกไม้มาใส่ใจกันนะดอกไม้จะเหี่ยวเรื่องของดอกไม้แล้วเราไม่เกี่ยวนะเราเอาใจคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่อยู่มาป่านนี้แล้วไงแล้วที่ลูกภาวนาแล้วครั้งหนึ่งได้เคยเกล่าบเรียนหลวงพ่อว่าไม่เห็นระหว่างจิตหนึ่งต่ออีกจิตหนึ่งลูกเห็นแล้วเจ้าคะ่ะเห็นไหมมันมีช่องว่าง แ ล, แล้วหลวงพ่อจะให้ทำอะไรต่อเองเจ้าคะไม่ทำอะไรนะรักษาศีลไว้มีสติรู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะตัวเราไม่มีรู้สึกไหมกายไม่ใช่เราไ ม, ไม่ใช่มานาแล้วเจ้าคนะเห็นไหมเวทนาสุขทุกข์ไม่ใช่เราอยู่ห่างๆนะเห็นไหมกุศลอกุศลอยู่ห่างๆอะไรๆก็อยู่ห่างๆนะไม่มีเราหรอกเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตก็เกิดดับ นะเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังอย่างตอนนี้เป็นผู้อะไรอ่ะนะเอา้าเป็นผู้หลงเลยเมื่อใครรู้สึกไปเรื่อยๆนะภาวนาดีโมทนานะดีแต่ไม่ใช่ว่าหัดภาวนาแล้วเป็นมะเร็งไม่ต้องรักษานะนี่หมายถึงว่าหมอไม่รับรักษาแล้วนะหมอบอกไม่รอดแล้วไม่กี่วันนี้แหละ เราภาวนาสู้ตายเอาจิตมีปีตินะจิตมีปีติมีธรรมะนะ่าใจจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้ามีสมาธิมปีปีติขึ้นมามันฟอกธาตุฟอกขันได้นะแล้วกรรมมันยังไม่ตัดรอนยังไม่ถึงเวลาก็นะพอหายได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นก็มีหลายองค์ที่เคยรู้ก็มีแล้วท่านก็หายด้วยนะ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะหายนะถ้ากรรมตัดรอนต้องยอมรับสภาพนะอย่ากรุ้มใจถือว่าร่างกายนี้เราถวายบูชาพระไปเลยเป็นดอกไม้ที่ตัดออกจากต้นแล้วจะเหี่ยวจะวเฉาเรื่องของดอกไม้ไม่เกี่ยวแล้วทำใจอย่างนี้นะ68กราบน้ศมาสการเจ้าค่ะลูกมาเรียนการปฏิบัตินะคะคือถ้าถ้าปฏิบัติในรูปแบบจะจะเห็นค่อนข้างชัดค่ะ เห็นจิตไหลไปดีแล้วก็คือเดืมค่ะเราทําในรูปแบบไปด้วยนะแต่ในระหว่างวันนะคะก็เห็นจิตไหลไปแต่จะเบากว่าในปฏิบัติจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตตั้งมั่นเข้าใจถูกแล้วปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะใช่นะเดินปัญญาแล้วด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็เดินเหมือนกันแหละนะแต่วันนี้มันไม่เดินหรอกแรงมันไม่พออ รู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้ น, น <ะ S 2> <ช>รู้<ะ>สึกไหมใจไม่ค่อยมีแรงที่รู้เบาๆระหว่างวันใช่ไหมเจ้าคะอย่าจงใจน้อมให้เบานะถ้าจงใจน้อมให้เบานยะกลายเป็นจิตไม่มีแรงไปแต่ถ้ามันเบาของมันเองนะพอดีเลยเมื่อเราทำในรูปแบบใช้อะไรล่ะใช้กรรมฐานอะไรลมหายใจเออจ้าค่ะลองทำให้หลวงพ่อดูอย่าให้จิตหนีไปนะมา อ, ออกไหม เมื่อกี้จิตนี้ไปอยู่ที่ไหนหดูออกหรือเาเอาตอบหน่อยไม่ออกเจ้ค่ะรู้สึกไหมมัน ur, เบลเบลเรือนเรือนไปอ่ะนะถ้ารู้สึกตัวไว้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจแล้วจิตไหลไปรู้ว่าจิตไหลไปหายใจแล้วจิตไปเพ่งรู้ว่าจิตไปเพ่งหายใจแล้วจิตเบลเบลรู้ว่าเบลหายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นฝึกนี้เรืเนะอ่อยๆนะยี่สิบสี่การนักศึกษอยู่ทางนี้วันแรกนะสอนมันแรกก็ยังมีแรงเยอะหน่อย วันที่สามก็ชักอ่อยๆแล้วแต่ก่อนสอนสี่วันแนละ้วหอบแล้วหอบอีกนี่เริ่มหอบเล็กน้อยกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูชื่อศรีพรนะคะเป็นน้องสาวของพี่เมาส์อะค่ะ<อ>เมื่อเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เมากับจอยอะค่ะพาพามาฟังธรรมจากหลวงพ่อนะคะออหลังจากนั้นมาก็หนูก็ดูตัวโมหะค่ะตัวเพอคิดเนี่ย ก็เห็นอยู่นะคะก็จะเห็นตัวอื่นด้วยความอยากความกังวลอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้นี่ก็จะเห็นความยินดีร้ายบ้างเป็นบางบางครั้งนะคะแล้วก็จะจะเห็นสภาวะเนี่ยไหลผ่านมาผ่านไปซึ่งเราไม่ได้เข้าไปอินกับมันนะคะคืออยากจะถามถามหลวงพ่อว่าอย่างไอความเป็นกลางเป็นกลางด้วยปัญญากับไอสภาวะที่เราเห็นว่า มันเราไม่เข้าไปอินนี่มันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าคะคือกลางมีหลายกลางนะกลางเพราะการบังคับไว้ก็มีกลางเพราะสติไปรู้ทันก็มีกลางเพราะปัญญาเป็นอีกแบบกลางเพราะปัญญานะใจโปร่งโล่งเบาเลยนะสบายไม่ได้เจตนาด้วยเป็นกลางเองเพราะมันเห็นอะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวนะตอนนี้ยังเป็นกลางด้วยสตินะค่ะทำอีกต้องทําอีกเมื่อกี้จะถามอะไรมันอยู่ดีมันดับไปเฉยนั่นแหละสัญญาเป็นอย่างนั้นแหละ ดับแล้วก็แล้วไปเสียดายอะไรดับก็ลาบดับไปหันนึกออกแล้วหลวงพ่อเออเลยหายไปเลยอดับไปอีกแล้วอย่างนั้นผ่านแล้วกันนะคะอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะไปสังเกตนะว่าจิตถึงฐานหรือเปล่าให้กันบ้านค่ะจิตเข้ามาย้อนมาถึงจิตจริงไหมไปดูตัวนี้นะห้าสิบสี่ กลับ น, นมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะามาเป็นครั้งที่สมค่ะแต่เพิ่งจะส่งเสียงและจะถามหลวงพ่อว่าจิตเหมือนเดิมไหมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ทุกบา้านค่ะภาวนาไปค่ะเจ้าค่ะร้อก้าบกลับกั บ, กบ น, นมาสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบหเดือนนะฮะห้า เ, เดือนก่อนตอนอยู่วัดหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูอนัตตาครับแต่มันก็ ไม่ค่อยจะเห็นอลไรครับรู้แต่ว่าบังคับให้ดูอนัตตาไม่ได้ครับนั่นแหละบังคับไม่ได้นั่นแหละอนัตตานะครับผมไม่ทราบว่ายังอยู่ในทางอยู่ไหมต้องขยันดูนะดูสม่ําเสมอไปครับทําในรูปแบบบ้างไหมก็มีบ้างครับแต่อาจจะไม่สม่ำเสมอต้องสม่ําเสมอนะถึงเวลาที่ต้องทําในรูปแบบแล้วครับคนหันใหม่ๆบางทีหลวงพ่อไม่ได้จําจี้จำใจว่าให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ เราเริ่มต้นไปจําชี้จำใส่อย่างนั้นเดี๋ยวจิตใจท้อทแท้ไปหมดหลวงพ่อให้หัดดูสภาวะไปก่อนพอดูสภาวะเป็นนะจะเห็นเลยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงได้จริงนะเราจะเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงสอนของจริงธรรมะของท่านพาให้ทุกน้อยลงได้จริงๆเรามีศรัทธาอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็จะค่ อ, อยเติมบอกว่าเอาไปทําในรูปแบบเพิ่มขึ้นนะก็คือจะได้เพิ่มสมาธิขึ้นนั่นเองก็มีสมาธิขึ้นมานะสติว่องไวคอยรู้คอยดูสภาวะไว้ปัญญาก็ยิ่งแก่รอบขึ้นไปอีกนะ นั้นถึงจุดที่คุณต้องทำในรูปแบบแล้วละ่ะไม่งั้นมันจะขี้เกียจเกินไปนะร65ครับเอ่อตอนนี้ใช้กายเป็นวิหารธรรมบางทีก็ใช้ อ, อ่ดูลมหายใจบ้างครับลงในล่ะเห็นกิเลสไหมเห็นครั บ, รบกิเลสตัวไหนเยอะโทสะเยอะครับเออีครับมีโทสะเยอะแล้วกิเลสเกิดแล้วเราทำยังไง ตามดูไปครับเบเกลียดมันไหมครับเกลียดมันไหมเกลียดครับเออให้รู้ทันว่าเกลียดนะครับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในใจเหล่านี้แหละแต่รู้รด้วยความเป็นกลางเรื่อยไปครับนะดีไปทําต่อครับไลท์สิบเก้าไลท์สิอยู่ไหนเชิญ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเคอหนูมาปฏิบัติมาประมาณเกือบปีแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงศัตริมาศแรกอะค่ะรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีมากหลังจากนั้นก็ดับหมดเลยค่ะคแล้วขณะนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองสับสนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะพุทโธไว้หรือหายใจไว้ยังหายใจอยู่ไหมวันนี้หายใจเออยังหายใจนะแทนที่จะหายใจทิ้งเปล่าๆนะหายใจแบบมีสติ หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกงี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันมีแรงมันจะกลับมาดูได้อีกแรงเราไม่พอจิตมันฟุ้งซ่านดูไม่ได้หรอกนะงั้นแต่รู้ลมหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะแม่ทราว่าหนูมีโทสะครอบอยู่หรือเปล่าคะถึงทําให้เหมือนก็ว่าอยากกลับไปดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ชอบภาวะอันนี้มีโทสะไม่ชอบที่มันเสื่อม เรามีโลภะอยากดีอย่างที่เคยดีไหมกิเลสมันก็หมุนอยู่ในใจเราให้เรามีสติรู้ทันลงไปได้นะขั้นแรกเวลาที่ภาวนาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยทําสมถะไว้หายใจไปหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจใจไปคนดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอมีแรงแล้วมันจะกลับไปดูจิตได้อีกนะแรงไม่พอน่ะค่ะเราต้องปฏิบัติยังไงเพิ่มไหมคะนี่ไงบอกแล้วนะหายใจไปรู้สึกไปหรือถ้าชอบพุทโธพุทโธก็ได้ บางทีก็คือไม่ไม่ได้มีพุทโธเป็นฐานนะคะเป็นพื้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติควรจะมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งอินทรียเรายังไม่แก่กล้าพอที่จะบินเดียวไม่มีที่เกาะเหมือเราเดินข้ามสะพานนะคือเห็นสะพานบ้านนอกไหมทําด้วยไม้ไผ่ลําเดียวก็มีไม้ไผ่อีกลำหนึ่งพาดอยู่ข้างๆเอาไว้เกาะเวลาตกเรายังเดินไม่คล่องนะเดินรวดเดียวไปไม่ได้ต้องเกาะเกาะไว้ก็คือต้องมีที่พักของจิตมีวิหารธรรม จะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้พุทธโธไปรู้สึกไปพุทธโธไปรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วช่วงหลังๆนะคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูโทสะจะแรงมากอะคะอ่ะแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือที่หลวงพ่อบอกว่ามีจิตอยู่ตรงกลางแล้วก็พอกิเลสมาก็ปั ด, ปด เอย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่จะโลนดอกเพราะว่าป่ากันทั้งชาติไม่ไม่เสร็จดอกก็เลยแล้วพอแบบว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยพอจะกลับนี่ยังฉลาดรู้ว่าไม่ใช่แล้วแต่พอจะกลับมาก็กลายเป็นว่ามันมีความโลภแล้วให้รู้ทันว่าใจโลภไม่เป็นกลางเลยค่ะหลวงพ่อให้รู้ทันใจนะใจไม่เป็นกลางใจโลภขึ้นมาแล้วก็หาเครื่องอยู่ไว้อันนึงจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่ทั้งวันเลยยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือนี่อยู่กับพุทโธไปแล้วรู้ทันจิต ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตไปเรื่อยนะอ้าเบอร์ห้สบขอบพระคุณค่ะก า, าาการบรรดาศักดิ์พระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้ลูกจะค่อนข้างโทสะแรงมากแล้วก็บ่อยมากค่ะ<ม>ใครพูดอะไรก็จะแบบห ง, งุดหงิดอยู่ตลอดเวลาค่ะถือศีลไว้ก่อนห ง, งุดหงิดไม่ว่านะแต่อย่าไปว่าเขาให้เขารู้ทันใจนะไปถ้าไม่ทนไม่ไหวก็เดินหนีไปก่อนค่ะ แล้วก็จะเหมือนเหมือนกังวลลึกๆอะค่ะพระอาจารย์มัมนมีอะไรแบบลึกๆอยู่ในใจเราแบบกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นแหละดีแล้วที่เห็นค่ะให้คอยรู้ค่อยดูไปนะมันเรงค่อยผ่านไปหรอกค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพระอาจารย์ดูไปสม่ําเสมอนะค่ะอย่าทิ้งกายด้วยนะค่ะเราก็รักสวยรักงาม ไปรู้สึกกายมากมากเลยกายนี้มีแต่ความทุกข์นะดูไปกาพะพักคุณค่ะหนูขอโอกาสให้คุณแม่มาจากภูเก็ตด้วยนะคะว่ามาไหนคุณแม่นี่เหรอแม่ยังสาวอยู่เลยเอากโยมาจากภูเก็ตแล้วพระอาจารย์แต่ว่าก็สวดมนต์นั่งสมาธิไปแต่ว่า ก็ทําไปทุกวันทุกวันเนี่ยทำมาหลายปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันก้าวหน้าเป็นแบบอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ท่านไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยดูกิเลสไว้ค่ะค่ะใจกังวลบ้างไหมก็ไม่ค่อยกังวลอาจารแล้วใจมีกิเลสตัวไหนมั่งอ่ะก็ก็มีค่ะตัวไหนโผล่รู้ทันตัวไหนโผล่รู้ทันรู้ค่ะรู้บ่อยบ่อยค่ะรู้ถ้าภาวนาเป็นเราจะรู้เลยเรามีกิเลสทั้งวันเลยค่ะกิเลสตัวที่เกิดบ่อยนะคือใจลอย ใจหลแแวบไปเวลาใจลอยรู้จักไหมรู้ค่ะเพราะฉั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านนะค่ะภาวนาไปไหว้ผ้าส่วนมลไปนั่งสมาธิภาวนาทุกวันใจลอยแล้วรู้ใจลอยเรารู้ฝึกนี่นะค่ะธรรมดาโยมก็ทําอยู่ประจําทุกวันอยู่แล้วใจลอยยังอีตอนเนี้ยรู้ไหมเออมันหลงไปนะรู้ค่ะร้อยแปดสิบการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือ เคยมาส่งกันบ้านเคยมาถามว่าุหลวงพ่ออยู่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วว่าค่ะว่าหลวงพ่อบอกว่าใจกระโดดไปกระโดดมาทีนี้ตอนนี้อยากจะให้หลวงพ่อช่วยนิดช่วยดูนิดนึงอะค่ะว่ามันกระโดดเท<น>่าเก่าไหมเท่าเก่าไหมดูออกไหมว่าปีหนึ่งไม่เหมือนเดิมเนี่ยดูได้ไหมดูออกค่ะแต่ว่าก็คือในระหว่างที่ทํางานเนี่ยจะ จะรู้เร็วขึ้นเวลากโกรธเนี่ยจะรู้เร็วแต่ว่าก็โกรธไปแล้วไม่เป็นไรโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอันนั้นถูกต้องแล้วนะค่ะโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยถูกต้องแล้วะจะถามหลวงพ่อว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือก็ยังดูงดูอยู่ <ทำ S 1> แต่เนะป็นทำต่อนะไม่ไม่ผิดไม่ไม่อะไรก็คือไปทําต่อเรื่อยๆแล้วก็มา พาหลวงพ่ออีกสักสักี่ห้าเดือนอะไรอย่างน<ด>ี้ใช่ไหมคะได้นะเดี๋ยวมากี่เดือนก็เอาร้อยสี่สิบสี่เพราะว่าที่ปีหนึ่งที่ทำามามันดีขึ้นแล้ว1้อยสี่สิบสี่อยู่ข้างหลังนูน้นข้างหลังเป็นเสื้อสีฟ้ากรนัน้นน้มาสการหลวงพ่อครับผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณสักสองปีแล้วฮะแต่รู้ว่าที่ผ่านมานี่คื อ, เ, อ, อเปลี่ยนแปลงจากสองปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ รู้กิเลสมากขึ้นนะฮะก็คือในแต่และวันเนี่ยก็กิเลสที่คือจะส่วนใหญ่ที่เจอมากี่สุดคือโทสะก็เลยว่าจะงวด น, นี้ก็เลยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อว่า2ปีที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างนะไม่ทาอีกนะครับแล้วเพิ่มสมาธิบ้างทําในรูปแบบนะกับใจจะได้มีแรงใจจะได้ตั้งมั่นมากขึ้นครับนะใจมันเบาไปอ่อนไปกระจาย ไปทำต่อหนะ้ากับผมให้ใจมันตั้งมั่นกว่านี้กับร้อยห้าสิเก้ากราบนรมาสการนุ่มพ่อครับฟังมาปีนิดๆแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมมันก็รู้สึกว่าจริงจังอะไรกับกับกับโลกน้อยลงนะฮะ ร, รู้สึกไหมใจมันโปล่งโล่งเบาขึ้นไหมครับนะรู้ตัวได้บ่อยขึ้นไหมครับก็ดีแล้วนี่ครับครับทั้งหลายเนี่ย <laughs> เป็นทําอีกนะมันต้องต้องทำอะไรเป็นพิเศษ น, นะครับผมมีรูปแบบมีเครื่องอยู่ของจิตไหมนะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบถก็ได้นะมันจะช่วยให้เราดูได้มากขึ้นครับนะจิตใจจะมีเรมีแรงมากขึ้นเอ่อเดี๋ยว อ, อ, อีกนิดนึงนะครับคือ<ห>ติดเพ่งม้างไหมฮะผมนะครับ<ะ>ผมติดเพ่งมั่งไหมครับถ้าเพ่งใจก็แน่นๆน่นแน่นไหม ก็มีแน่นบ้างไม่รู้ว่าทําในรูปแบบแล้วบางทีมันได้หละลมันงจงใจอ่ะน ะ, นะถ้าจงใจก็เพ่งใจแน่นๆบางทีคอเคลสเลยครับงั้นทําเล่นๆนะทําสบายๆการทําในรูปแบบไม่ได้ทําเพื่อบังคับใจให้นิ่งตั้งหลักให้ดีนะทําในรูปแบบนั้น ท, ำทำเป็นแค่มีเครื่องอยู่ให้สติเป็นระลึกรู้ไว้เวลาอย่างเราอยู่กับพุโทโธพอมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันลืมพุโทโธไปเราจะได้นึกได้เร็วๆว่าโอ้ลืมพุโทโธแล้วขาดสติแล้ว เราไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองแรงไปมันถึงยอดครับครับเอา <บน S 2> ต่อไป7จ 71, 71. ่ตอนนี้ต้องขอร้องว่าให้หลวงพ่อตอบสั้นๆหน่อยเดี๋ยวไม่ทันผมปฏิบัติมาได้ประมาณ8เดือนฮะก็ดูกายดูใจโดยมีวิหารธรรมคือดูกายแล้วก็ ทำรูปแบบเดินจงกรมทุกวันทุกคืนนะครับก็มีบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าใจมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเด่นดวงขึ้นมาประมาณโมงหนึ่งนะฮะแต่ไม่รักษานะมันขึ้นมาก็ขึ้นมันหายไปก็หายมันขึ้นมาแล้วก็มันก็หายไปมันเป็นประมาณสองครั้งเออมันไม่เที่ยงเหมือนกันเลยครับผมทีนี้ผมอยากทราบว่า ทำยังไงผมจะรู้ว่าใจเราตั้งมั่นหรือเปล่าตั้งมั่นเนี่ยมันคือมันไม่หลงไปมันไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นยังมีสองแบบตั้งตั้งได้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยใจจะโปร่งโล่งเบานะแต่ถ้าตั้งแล้วหนักๆเนี่ยบังคับให้ตั้งไอ้อย่างนั้นไม่ดีครับผมบังคับไหมไม่บังคับฮะมันอยู่ดีๆมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ใจโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ เห็นกายเห็นใจกายต้องยหางนั้นแหละจิตใจอยู่กันเนื้อก็ตัวไว้ขนาดนี้ตั้งมั่นไหมขนาดนี้ดูไม่ออกฮะดูไม่ออกก็แสดงว่ามีอะไรมีโมหะแล้วยี่สิบเกลานาศการค่ะหลวงพ่อโยมพึ่งไปฝึกกรรมฐานมาค่ะไม่ต้องบอกว่าที่ไหน ไม่บอกค่ะแต่ว่าถูกบอกมาว่าก็คือตอนทำนะคะก็เห็นนะคะว่าระเมอละเหมือนมันก็มีเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดืว่าจิตมันหายไปจิตมันหนีไปคิดนะคะชัดมากๆ<ด> <laughs> แต่นี้อ ย, ยากจะถามว่าคือก่อนออกมาเนี่ยคะ่ะถูกบอกว่าควรจะปฏิบัติสักวันละสีชั่วโมง <laughs> ซึ่งก็ เราไม่ต้องสงสัยก็คือทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังเกิดความสงสัยก็เลยจะถามว่าเราจะต้องทํามากมายขนาดนั้นหรือมีความาาจะ เ, เรียนแค่ไหนอาจารย์ไหนนะอาจารย์บอกให้ทําอะไรเราก็ต้องทําอย่างนั้นสิอาจารย์บอกให้เดินวันหนึ่งยี่สิชั่วโมงก็ต้องเดินเพราะเราเลือกเรียนกับอาจารย์แล้วนี่ใช่ไหมจะมาถามความเห็นของอาจารย์อื่นไปล้างอาจารย์ของเราไม่ได้นะไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสิค่ะคือว่าอยากอยากทราบว่าควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ พยายามรู้สึกตัวนะให้เป็นธรรมชาติอย่าให้เกิดความหนักขึ้นในใจใจหนักบ้างไหมตอนทาหนักค่ะเพราะว่าบังคับตัวเองนั่นแหละนะอย่าบังคับให้รู้ตัวเองไม่ใช่ให้บังคับตัวเองไปปรับตัวนั่นแหละขับคนมากเจ็ดสบมกราบนมัสการ์ขนมข้าคือได้มีโอกาสไปที่วัดป่ามาค่ะแล้วแล้วก็มีตอนหนึ่งที่หลังจากเดินจงกรมแล้วก็ ทำความสะอาดเสร็จก็ลงโตลงนอนแล้วตอนนั้นเป็นตอนที่รู้สึกว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูแล้วก็รู้สึกว่ามันทํางานได้เองหายใจได้เองนั่นั่นภาวนาก็ต้องเพื่อให้เห็นอย่างนั้นแหละคแต่คือมันไม่ได้มีคําออกมาว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ไม่จําเป็นดยอย่างนั้นแหละนะเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ตัวเรานะมันถูกรู้ถูกดูอยู่คือมันไม่สรุปว่าไม่ใช่ตัวเราก็ช่างมันเห็นมันเป็นของถูกดูอย่างนั้นแหละอย่าจงใจก็แล้วกันนะ มันเห็นก็เห็นนะมันไม่เห็นก็รู้เอาก็รู้ว่ายังไม่เห็นนะดีใช้ได้แล้วก็มีตอนที่ตื่นนอนที่เป็นนาทีทองของการปฏิบัติคือก็จะเห็นร่างกายก็ไปเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินแล้วก็เห็นั้นความง่วงแยกออกมาแล้วก็มีใจที่ตั้งมันดูอยู่ต้องอย่างนั้นแหละแยกถาดแยกขันไปเรื่อยนะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์มัดป่าแล้วก็สอนแยกคาดแยกขันอย่างเงี้ยมีที่ไหนอสานให้อยู่ว่างๆไม่มีหรอก แต่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้เกิดเป็นแบบว่าเป็นคําออกมาว่ามันไม่ใช่ตัวเราแบบยังนะคําพูดไม่สําคัญดูไปเรื่อยๆทําให้เป็นบ่อยๆนะค่ะสังเกตไหมใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยโปร่งโล่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูออกไหมดูออกค่ะแต่อย่าให้มันอ่อยๆอ้อยสรอยอ้อยหญิงไปนะไหลๆแไปให้รู้ไว้ค่ะแล้วก็ขออีกคําถามหนึ่งคะหลวงพ่อคือ หนูเกิดฟุง้งซ่านขึ้นมารู้สึกว่าคือไม่ไม่สงสัยว่าอย่างการปฏิบัติในรูปแบบคือตอนนี้มีสวดมนต์กระเดินจงกรมอะค่ะแต่คือสงสัยว่าจะต้องมีแบบทําสมาธิหรือเปล่าอย่างเช่นดูลมหายใจหรือพุทโธอะไรเงี้ยค่ะได้ทําไปได้นะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงเนี่ยทําได้แล้วแต่บา ง, งคนเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ทําก่อนให้หยุดไปก่อนเพราะว่าไปติดเพ่งของคุณตอนนี้มันไม่เพ่งมันก็ไปดูได้ะนะรู้ลมหายใจไปหายใจไป แลใจสงบใจสบายใจมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นขึ้นมาแล้วมาเจริญสติเจริญปัญญาต่อนะค่ะหนูขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็อาจาริยะบูชาสมอไปค่ะชอบที่สุดอย่างเนี้ยหนูขอลาลาล่วงหน้าคือเดี๋ยวหนูจะกลับประเทศอังกฤษในอีกอาทิตย์หน้าแล้วหนูจะมากราบของพ่อไปพอนานนะแล้วต่อไปเอาไปเผยแพร่ในประเทศอังกฤษนะเผื่อในเมืองไทยมันหมดไป ไว้ใจไม่ได้หรอกร้อ้าขอบคุณค่ะครูบาอาจารย์เคยบอกไว้หน้าอย่าประมาทนะอยู่อีกไม่นานนักหรอกกรรมนรมาสการเจ้าค่ะขอส่งกันบ้านในรอบ3าเดือนเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ยังมีปัญหาเดิมก็คือยังเพ่งอยู่แล้วก็ไม่เป็นกลางแล้วก็แทรกแซงเจ้าค่ะแล้วก็แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่มันไปเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราแล้วมันกลัวขึ้นมาเลยแบบ ม, มันพูดออกมาเลยว่ามันไม่เอาแล้วมาผลอิปานไม่อยากได้เพราะมันกลัวว่าตัวเราจะหายเจ้าค่ะเออนะอดทนไว้อย่ากลัวเจ้าค่ะเรา<ต>ยังเห็นว่าตัวเราเป็นของดีของพิเศษเรายังไม่มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์นะหายไปได้ยิ่งดีเจ้าค่ะนะไม่เสียดายหรอกเจ้าค่ะแล้วหนูควรที่จะลดต้องลดการทําในรูปแบบไหมเจ้าค่ะเพราะหนูมีความรู้สึกว่าจิตมันชอบไปจับไปเพ่งลมหายใจเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจใช้ได้นะไม่ต้องลดหรอก เพิ่มสติขึ้นรู้ทันมันเจ้าค่ะเราลืมลืมยาดับเราก็ดับไปแล้ว่เจ้าค่ะจำไม่ได้เกิดแล้วดับเรียนแล้วไม่มีอะไรหรอกมีแต่เกิดแล้วดับมีเท่านั้นแหละเจ้าค่ะนึ่งรเจขอบคุณเจ้าค่ะถึงวันหนึ่งเราจะเจอสิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับนะตอนนี้รู้จักสิ่งที่เกิดที่ดับไปก่อนขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะที่ให้แสงสว่าง ว่าไปอยากเรียนธรรมหลวงพ่อว่าไม่ทราบว่าตัวเองเข้าใจถูกก็เปล่านะฮะคือปกติเนี้ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเราจะดูคือสิ่งที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าถึงจะสามารถมองเห็นสิ่งในมิติที่ต่ากว่าอืถ้าสมมติเรามในโลกนี้เป็นสามิติใช่ไหมคะถ้าการตั้งมั่นก็คือการที่จิตผู้รู้ไปตั้งอยู่ที่มิติที่สี่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมค่ะไม่อย่าไปนึกถึงมันเลย มิติที่สี่ของไอสไตล์รู้สึกจะเป็นเวลาใช่ไหมอย่าไปเรียกมิติที่4ี่เลยเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เขาว่าเอาเราอยู่กับปัจจุบันจะมิติอะไรก็ช่างมันนะมีสติอยู่กับปัจจุบันเรยมีใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเรอยนะพอใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางนะต่อไปปัญญาเขาเกิดนะหรือใจสงบใจตั้งมั่นอยู่ใจมีแรงมากขึ้นจะมองทะลุไปสู่พบภูมิอื่นก็ยังได้นะแต่ว่าไม่มีประโยชน์ สิ่งที่มีประโยชน์คือรู้กายรู้ใจของตัวเองแล้ววันนึงเราต้องหันกลับมาดูจิตผู้รู้อีกไหมคะถ้าหลังจากที่เราละความคิดความรู้สึกแล้วมันจะทิ้งของมันเองนะทีแรกมันจะทิ้งของหยาบก่อนของหยาบที่สุดคือกายนี่เองมัจะเห็นได้กายนี้ทุกเลื่นๆมันก็วางก็มาถึงอารมณ์ภายในมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าจิตตั้งมั่นอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความสุขถ้าจิตไหลไปจิตมีความอยากมีความยึดจิตจะทุกข์นี่ยยังเห็นเป็นสองอยู่ ถ้ปัญญาแก่รอบนะมันค้นกว่าพิจารณาอยู่ที่จิตเองแค่เห็นเลยว่าจิตทั้งหมดเป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าจิตไม่มีความอยากไม่มีความยึดแล้วไม่ทุกข์นะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะวางตัวจิตอีกนะทีหนึ่งแล้วคราวนี้จะเรื่องมิติอะไระไม่มีมิติแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะคือที่ผ่านมาก็เห็นเห็นว่ากายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันมีเหตุเช่นสมมติว่าเราการเคลื่อนไหวของเราในทุกๆวันเนี่ยมัน คือโยมสังเกตเห็นว่ามันเออมันต้องมีปัจจัยก่อน ท, อที่มากระทบก่อนแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะมีปฏิกิริยาออกไปถูกต้องแล้วก็เห็นด้วยว่าเออความคิดความรู้สึกก็เหมือนกันคะเช่นเราจะรู้สึกอะไรมันต้องมีอะไรมากระทบก่อนใช่ถูกต้องแล้วมันก็ถึงจะมีคิดออกไปค่ะเออถูกอีกแล้วก็รู้สึกว่าจิตก็เหมือนกันคะว่าจิตเนี้ยเหมือนกับว่าคือถ้าเขาสนใจสิ่งไหนเขาก็จะวิ่งไปตรงนั้น <Crowd? S 1> แล้วถ้าเกิดเขาไม่ชอบ เขาก็จะไปผักถ้าเกิดเขาชอบเขาก็จะไปจู่สิ่งนั้นถูกต้องแล้วถ้าเขาไม่สนใจเขาก็จะวิ่งไปที่อื่นค่ะเออถูกอีกแล้วไงอ่ะก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถามบ้างถามหลวงพ่อมาเยอะแล้วจิตขนาดนี้เป็นยังไงจิตขนานี้เหรอคะก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะกดไปไหมอะไรนะฮะกดไวปไหมกดจิตกดไว้นิดหน่อยค่ะอ๋อกดจิตให้รู้ทันนะมากดจิตขนาดนี้ตั้งมั่นถึงฐานจริงไหม ไม่ไม่ถึงฐานดีค่ะถูกต้องกับฐานเบอยี่สิบกับน้ำมสการค่ะไหนไหนอ่ะว่าไปหูไม่เคยปฏิบัติมาเลยแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่อก็รู้สึกว่าพอใจมาไหลก็รู้ oh, หรือว่า <okay. S 2> หรือว่าโกรธหรือว่าเสียใจก็รู้<ฆ>แต่พอมาคุยกับคุณสูเม่กับคุณจูนก็เพิ่งรู้ว่าเราไม่เป็นกลางยังเข้าแทรกอยู่เวลาไปเอ่ยชื่อเขาเขาสะดุ้งเลย แล้วไงก็หนูก็คิดว่าวันนี้จะกลับไปดูแล้วก็ให้มันเป็นกลางเดี๋ยวไปทำให้มันเป็นกลางนะแค่ว่ามันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่มีอะไรเกินรู้นะังนั้นทีแรกมีสภาวะเกิดขึ้นก่อนเช่นโทสะเกิดขึ้นรู้ว่ามีโทสะโทสะเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกวาไม่ชอมันจะดับเองนานๆไปมั น, นมก็เป็นกลางกองมันเอง มันเป็นกลางนีไม่ใช่เพราะไปแค่รู้ทันหรอกถ้าเป็นกลางเพราะรู้ทันนี่เรียกว่ากลางเพราะสติต่อไปมันจะมีกลางเพราะปัญญามันจะเห็นเลยโทวารสาก็ชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหมดเลยพอมันเห็นอย่างนี้นั่นจะเป็นกลางด้วยปัญญามีกลางอีกกลางหนึ่งนะไม่ใช่กลางได้แค่รู้ทันหรอกกลางที่รู้ทันกลางเพราะรู้ทันนี่กลางด้วยสตินะต่อไปอาศัยตัวนี้ไปก่อนมันไม่เป็นกลางรู้ทันไม่เป็นกลางรู้ทันนะ แต่ไไมันเป็นกลางชัวคราวมันก็เห็นเลยความโลภมาแล้วไปความโกรธความหลงมาแล้วไปสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปพอเห็นทุกอย่างมาแล้วไปนะใจเป็นกลางอันนี้กลางด้วยปัญญานะตัวนี้สําคัญเอาต่อไปเบอร์ห้าสหลวงพ่อหลวงพ่อเคยทักว่าซึมให้ไปขยับหนูยังคิดว่ายังมีซึมอยู่แต่รู้เร็วขึ้นนะคะดีทําอีกขยับไว้ขยับไว้นะ ถ้าซึมอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางเลยสมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ความสุขก็ไม่มีนะมีแต่โมหะนะแล้วหนูมีอาการคล้ายๆมีพลังงานมีแรงดันมันขึ้นมาบ่อยๆหลวงพ่อบอกให้ไปดูว่ามันเกิดมันดับหนูก็ดูแล้วมันก็กลางบ้างไม่กลางบ้างออนะนะไม่ห้ามมันหรอก<ต>กลางก็ได้<ช>ไม่กลางก็ช่างมัน มีอยู่ช่วงหนึ่งไปทําในรูปแบบเยอะปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาบ่อยมากจนมันเหนื่อยก็เลยชะลอการทําในรูปแบบไม่ทรบาบก็ทำ <วน S 1> ได้น ะ, ะทําในรูปแบบไปแต่พอปัญหาความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้มากๆแล้วเหนื่อยในคราวนี้ทําสมถะพักผ่อนทำทำยังไงอะคะเช่นท่องพุโทโธไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆก็ได้นะคิดถึงพระพุทธเจ้าไป นึกหน้าพระพุทธเจ้าไม่ออกก็นึกถึงพระพุทธรูปพระซักองนะดูสิพระแต่ละองค์ยิ้มหวานหวานทั้งนั้นเลยเห็นไหมแสงเพรีย์แม่ตาท่านก็มองต่ําๆถ้าพุทธรูปจะไม่มองอย่างนี้เห็นไหมส่วนมากจะมองลงข้างล่างเป็นสัญลักษณ์ของการมองตัวเองนะเห็นไห้ยิ้มมีความสุขเห็นไหมจิตใจที่สงบมีความสุขอยู่เนี่ยเราคอยรู้สึกอย่างนี้นะแล้วใจก็มีความสุขขึ้นมาสงบ ขออีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีช่วงนี้งานทางโลกน้อยอยากเร่งเก็บแต้มทา้งทำไม่ทราบคนทำยังไงต่อทำอะไรมากไม่ได้มีสติโลปัจจุบันไป <c oughs> นะแล้วถึงเวลาก็ทำความสงบบ้างทำในรูปแบบนะ <c oughs> นะทำในรูปแบบแล้วเครียดไปตึงไปก็รู้ว่าโลภมากไปบังคับมากไปรู้ทันเอาอย่างนั้นมันจะค่อยๆ ค, คลายเพื <c oughs> นะ่อสส พอความเมตตาเราก็2เดือนครับแรกผมเห็นเห็นทุกข์ที่อยู่ในใจนะครับแล้วมันมีโทสะคุมอยู่เนี่ยเห็นจริงใช่ไหมครับอแล้วมันมันก็เห็นโทสะคุมอยู่อีกทีดีสีดีที่รู้ทันครนะเวทนาพปทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยโทสะแทรกอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยพอสุขเวทนาเกิดขึ้นนะราคะก็แทรกอันนี้ก็ปกติอีกนล้วเราก็แค่รู้ทันไปนะอย่าไปเกลียดมันสิอย่าเกลียดกิเลสนักเอาไว้ดู กิเลสเป็นครูคนหนึ่งนะเอกเลดครูแล้วก็ผมผมตั้งใจบวชตอนนี้จิตใจบวชได้ยังครับตอบยากนะจะบวชตลอดหรือปะบวชตลอดครับเหรอเวลาบวชนะจะไปคาดหวังเยอะนะครับในสังคมของพระนะก็ยุ่งไม่ใช่น้อยกว่าโยมหรอกในวัดก็กิเลสเยอะไม่น้อยกว่าในบ้านหรอกนะ งั้นถ้าเราภาวนาเรากระบวตแล้วแล้วก็ปลีกตัวภาวนาไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ออกมาเรียนจากครูบาอาจารย์มาดูว่าอยู่ในรูในทางไหมอย่างนี้ก็ดนะีแต่ถ้าคิดว่าบวชแล้วจะต้องภาวนาดีอย่างโน้อนอย่างนี้ก็ลำบากหรือคิดว่าสังคมของพระสะอาดหมดจดเป็นสังคมอุดมคติก็ยังลําบากอยูนะ่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไปวัดใจตัวเองดูยอมรับได้ไหมกับอะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐาน ยอมรับได้ครับยอมรับได้ก็ไปบวชได้นะครับเบอร์ร้อยเจดกาบเป็น <GO av uther> ักสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้โทรศัพท์แรงอะค่ะรู้สึกว่าเอ้เราราวนาถูกทางหรือเปล่าเราไม่ได้กดไว้มันโทรศัพก็แรงนะถือศีลไว้ก่อนโทรศัแรงไม่เป็นไรอย่าไปด่าใครอย่าไปตีใครก็แล้วกันด่าไปแล้วค่ะ ก็ตั้งใจด่าไปแล้วผิดศีลไปแล้วตั้งใจใหม่ว่ารู้สึกมันใช้วิ่ปากแล้วมันก็ไม่สบายใจอะค่ะเออนั่นแหละต้องเป็นเป็นผลของกรรมแล้วน ะ, นะแล้วงานที่ทำมันเป็นงานที่ต้องเจอคนเยอะๆแล้วก็จะเกิดโทสะตลอดะครัต้องคิดอย่างนี้นะว่าบุญแล้วที่มีงานทำ <c oughs> นะคิดอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วโทสะมันจะลดลงเราใช้วิธีภาวนาพุโทโธอยู่อะค่ะพุโทโธมันไม่แก้โทส ะ, จะเจริญเมตตาไว้ เวลาสัมผัสกับคนนะอย่างบางคนเป็นพยาบาลนะเจอคนไข้โมโหโทโสอะไรเงี้ยใจโมโหใจเครียดเจริญเมตตาไหม <c oughs> ตัวที่จะแก้โทสะได้ดีก็คือเมตตามองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง <c oughs> นะี่โบราณสอนดีลองดูนะแล้วโทสะมันจะอ่อนลงคามสิหกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ก็ส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะก็เคยได้ฟังเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นคะ่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองมีความโลภกดลงเยอะมากพา <อ S 2> วนาเป็นนะเมื่อพนาเป็นแล้งานต่อไปนี้ก็ทำบ่อยๆ <c oughs> นะแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะทำอย่างนี้แหละเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวันรู้ทันจิตอย่างที่ทาอยู่นั่นแหละนะ อ่ะเบอร์ร้อยเบอร์สี่สิบกเบอร์สี่สิกกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะอนุมาจากสิงคโปร์ค่ะก็อขอส่งกัน<ธ>บ้าน<ใ>นรอบ1หนึ่งปีไปทำงานอยู่ที่นูน้นเฉยๆค่ะ <laughs> ค่ะก็ช่วง2เดือนแรกที่ฝึกกับหลวงพ่อก็ธาตุขันกระจายแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็ไม่เกิดอีกเลยแต่ว่า เหมือนกับว่าจิตมันพยายามไปมองในมุมอื่นนะคะอย่างเช่นนั่งอยู่แล้วก็สันติขาดนะคะรู้สึกว่านั่งอยู่แล้วก็มีดับวูบไปวูบหนึ่งแล้วพอจิตมันรู้ขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่มีตัวตนแต่ว่ารับรู้ได้แต่สภาวะนะคะอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มันก็เกิดอีกวูบหนึ่งแล้วก็มีตัวตนกลับเข้ามาเหมือนเดิมค่ะนะดูไปค่ะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปบ่อยๆนะแล้วถ้ามันไม่เกิดก็อย่าว่ามันนะ ถ้าอยากให้เกิดถ้าอยากให้เกิดมันจะไม่เกิดอีกค่ะแล้วก็ตอนนอนนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็สังเกตว่าจิตมันจะตื่นก่อนกายอะค่ะแล้วพอจิตมันตื่นมันก็ปรุงแต่งเออปรุงแต่งไปจนกายตื่นเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอช่วงนั้นเยสติเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งมั่นมากมันก็เลยไม่ตัดนะคะมันก็ปรุงไปเรื่อยๆเลยนะคะใช่ต้องให้จิตมันตั้งมั่นค่ะดีเภาวนะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาฟังหลวงพ่อหรือว่าอ่านังสือเรื่องไม่มีตัวตนนะคะจิตมันก็จะทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันมีต่อจากนั้นมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งที่มันไม่ยอมอะฮะมันก็จะดินอยู่กลางอกแล้วก็ใช่ไมันจะมีหน้าที่รู้มันไปด้วยนะมันยังไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงก็ได้ทำม้าสิเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมสิ่งที่หนูจะอยากจะถามหลวงพ่อก็คือว่า เหมือนกับว่าหนูเห็นมาอย่างนี้แล้วแต่ว่าที่มันไม่ตัดเนี่ยเพราะว่าสมาธิไม่พอหรือว่ามันใจไม่ค่อยตั้งมั่นทําในรูปแบบเพิ่มขึ้นนะเช่นอยู่กับพุทโธไปได้ๆพุทโธจิตไหลไปแล้วรู้พุทโธจิตไหลไปแล้วรู้อย่างขนาเนี้จิตตั้งมั่นไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าสึยอม่ามันกระจายออกไปข้างนอกมองไม่ออกสังเกตไหมลองย้อนมาดูจิตสิเห็นไหมว่ามันไหลไปมันไม่ยอมย้อน แล้วทำไมหนูรู้สึกว่ามันกดนะคะอา้าวจงใจกดธสิเพราะจริงๆนะถ้าดูจนตอนนี้ยมันจะเด้งออกหมดเลยเพราะมสมาธิเราไม่พ อ, อนะเี๋ยวเราก็ทําในรูปแบบไปพุโทโธไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่เงี้ยใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาคะกลับมารู้กายกลับมารู้ใจได้อีกแต่ส่วนมากคือหนูจะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าก็ต้องไปเพิ่มในรูปแบบอีกใช่ไหมคะก็ชอบเคลื่อนไหวก็ไปเดินจงกรมเอาค่ะ หรือไม่ก็ไปกวาดบ้านร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูส่วนมากทำตอนทำงานบ้านเนี่ยนั่นแหละทำบ่อยๆบ้านเราเสร็จแล้วไปทำบ้านอื่นเก็บตังค์มันเลยนะขอบคุณเจ้าค่ะฝึกไว้นะแล้วยี่หน่อยจะได้ไปเผยแพร่ที่สิงคโปร์ร้อยห้าตอนนี้ต้องพยายามแพร่หน่ของธรรมะออกไปให้ทั่วโลกนะอย่าประมาทนะห้ามาตรการค่ะก็ ไม่ได้มาตั้งปลายปีห้าหนึ่งค่ะตอนนี้จิตรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ทํางานแต่เขารู้ว่าเขาทางานอยู่ก็รู้สึกโทรศัทจะเกิดแรงมากท่วงนี้อืโทรศัพท์มหานี่มามาแรงค่ะรู้บ่อยๆเนาะคสังเกตไหมใจไม่เหมือนเดิมค่ะดีแล้กดีแล้วขอการบ้านไม่เคยขอขอการบ้านไม่ทำต่อแล้วนะทำอีกรัตการค่ะหมอเกตส่งการบ้าน จิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยคะ่ะตอนนี้มันก็กนไม่มีเรื่องมีแรงค่ะดูออกเปล่าไม่ค่อยออกค่นะจิตมัวไปจิตฟุ้งไปพยายามรู้สึกตัวไว้นะนไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆให้จิตตั้งมั่นไวนะ้สมาธิจะได้เพิ่มขึ้นสมาธิอ่อนไปอ้าว เ, เชิญกลับบ้าน